เดือนตุลาคม2530ก็คงแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเริ่มต้นโดยกสิณตามเดิมกสิณวันนี้ก็เป็นกมีหกกสิณวันนี้มีชื่อว่าอาโลกสิณอวานิโอธาทกสิณ น, นะวันนี้อ า, อ า, อาโลลลอลิงนนะไม่ใช่เราเรือ อาโลกาสินแปลว่ากาสินมีแสงสว่างสําหรับการปฏิบัติกะสินบดนี้ขอพูดถึงผลก่อนอันดีส์ผลก็ว่าสินบทนี้ก็คือหนึ่งถ้าสถานที่ใดมีความมืดถ้าต้องการในแสงสว่างเกิดขึ้นใช้กาสินกล่องนี้ช่วยจะมีแสงสว่างเกิดขึ้น ถ้าสถานที่ใดมีแสงสว่างน้อยเกินไปไม่พอกับความต้องการต้องการมีแสงสว่างมากเขาใช้กระสินกองนี้แต่นั้นคนที่ทำปริญญาได้จริงต้องได้กระสินทั้งสิบกองเพราะกระสิ น, นแต่ละกองใช้แต่ละอย่างแต่หากว่าถ้าจะใช้กันแบบพื้นฐานธรรมดาเมื่อกี้ในพูดทา้งด้านอริญญาพูดให้ทราบเฉยๆนะถ้าปริญญานีไม่สอน สอนก็มันมีผลถ้าคนสอนทำไม่ได้เพราะถ้ า, <c oughs> วามววุ่นอภิญยาอยู่ก็มาสีเวลาอภิญญาไม่ได้ห้ามนรกไม่ได้ห้ามอบายภูมิได้คนที่ได้อัญญาแล้วพระ ท, ที่ได้อัญญาแล้วอย่างทธรระเทวทัติเผลอหน่อยเดียวจะลงอเวจีมาหารนรกเรื่องอภิญยาถ้าหากบังเอิญจะพึงได้เพราะบุญเก่า ไอ้อย่างอย่างนั้นก็ควรทำก็ควรควรทำไม่ได้ถ้าจะฝึกฝนกันใหม่อยางนี้ไม่ไมสมควรเวลามั็นกงเลนะที่ว่าไ้ทุกควรเพระาะว่าเสียเวลามากทำกระสินกว่าจะได้ครบสิกองแต่ลกองต้องคล่องได้ทันทีทันใดแล้วเข้าชานตามลาดับชานตามลาดับกระสิน แล้วข้าวชานสลับชานสลับกระสินข้าวชานย้อนชานย้อนระสินโอมันยุ่งมากทาได้ขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นอพิญญาต้องซ้อมได้ของพิญญาอีกหนักใช้เวลามากเกินไปฉะนั้นเราปฏิบัติแบบพื้นฐานดี ก, กว่าหวังมะขผลเอากสินเข้ามาเป็นกําลังของจิตเพื่อเาไปห้หามหันกิเลสร่วมกับพิปัสนาญาณ ก่อนจะใช้วิปัสสนาญาณก็จับกระสินก่อนทำกระสินให้ทรงตัวจับภาพกระสินเมืเห็นภาพกสินจิตทรงตัวมั่นคงดีก็คลายอารมณ์จับภาพของกสินคือว่าทหารมนันหมายความเราไม่ต้องการอารมณ์กระสินเป็นปวิปัสสนาญาณต้องการจับจุดอื่นเป็นวิปัสสนาญาณที่เราคิดว่าถ้าเราต้องการจับอารมณ์คของปะโซดาบันหรืสุิธาค า, ามี อันดับแรกก็จับภาพกระสินก่อนกสินั้งหมดที่ก่าวมาแล้วห้ากองใครถนัด ก, กองไหนใช้กองนั้นไม่จำเป็นโดยเฉพาะกองเอากองใดกัวหนึ่งโดยเฉพาะอันดับแรกจับภาพกระสินให้ทรงตัวดีจิตมั่นคงจิตจะสงบเห็นภาพกระสินชัดเกนจนแจ่มใสตามกำลังที่เราจะดึงได้ลอยกำลังเวลาให้สดชื่นตามความต้องการอย่ารี ตอนเมื่อกำลังจิตลอยลงไม้ความสมาธิย่ำจะขึ้นทักๆจะมีกำลังต่ำลงก็เลิกเลิกจับภาพนิมิตหันไปจับไปนึกถึงสัญญุกแทนอย่างวิสวดาไปกสิกิทาคามีก็ใช่สังโยกสามคือหนึ่งส ก, กายะทิฏฐิสองอิติขิจฉาสามนิพตศิรพปตปรามาต ถ้าสามารถตัดสัญญาต์ทางสามนี้ได้อย่างหยาบเป็นระโสดาบันอย่างหยาบตัดทำสัญญาต์สได้ตัดสัญญาต์สามได้อย่างกลางก็เป็นระโซดาบันคันละเอียดถ้าหาตัดสัโยชน์สามได้ละเอียดมากเป็นพันสิทธาคามีเพราะว่าสัโยชน์3มการตัดมีประโยชน์กว่าอย่างอื่นขรพูดเรื่องนี้ก่อน สัมปสัญญาาัติสามันดับแรกก็มีความรู้สึกที่ร่างกายของเราร่างกายคนอื่นร่างกายสัตว์วัตถุธาตุทั้งหมดว่าทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตตัวตามไม่มีชีวิตกวัวตามไม่มีอะไรจิรังยั่งยืนมีความเกิดนในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในตางกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด โดยเยพาะอย่างยิ่งร่างกายที่ว่าเป็นเราเป็นของเราของเราเนี่จริงๆแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายคิดแบบสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องอยากนะักให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราในสักวันหนึ่งข้างหน้ามันตายแน่แจกระว่าตายว่าอะไรมันก็เอาแน่นอนไม่ได้ตามที่พระเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ในเมื่อเราจะต้องตายความตายของเรามีอยู่เมื่อเราตายแล้วทางในไปมีสองทางคือสุคติกับทุคติสุคติก็มีมนุษย์สโลกเป็นสุขหน่อยหนึ่งภูมเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาลมนิพานทุกคติก็มีนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานข้า4สีเ่เหล่าของทุคติไม่มีรม็นความทุกข์ จากนั้นก่อนที่เราจะตายขอเลือกทางจุดเดียวคืออย่างอย่างเร็วก็ไปสู่สุคติอย่างดีที่สุดขอไปนิพพานก็ต้องคิดใช้ปัญญาต่อไปว่าถ้าเราจะไปสวรรค์ก็ดีไปพุทโลกก็ดีไปนิพพ า, านก็ดีถ้าทุนความจริงใจไม่มีจริงจังไม่มีกับสวรรค์มัรรติโลกพุทธโลกและนิพพานเราก็ไปไม่ได้ คนที่เราไปใจไปสวรรค์เบื้องต้นไปสวรรค์ก็ได้ถ้าเข้มแข็งไปพงก็ได้ถ้าสะอาด จ, จีงปนิพัยนก็ได้นั่นคือสัญญอดเราต้องทำลายสัญญาณสามก่อนสัญญาณตะกอนจีงมีสิทธิคำว่าสัญชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัตมันดึงใจเราให้จมในวัฏฏะคือความความเป็่ยงเบนไหวใจเกิดจมตะสงสารที่เราหลงมันขอตัด ตันแรกคือร่างกายเพราะร่างกายนี้มันต้องตายก่อนจะตายขอยึดอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือด้วยความจริงใจต่อไปก็มีสินห้ากับกรหนดสิบครบถ้วนต้องรวมกันทั้งสองอย่างทั้งสินห้าด้วยกรหนดสิบด้วยทังนี้เขาอะไรเพราะว่า เดิมทีเดียวเราพูดกันแค่สินห้าไล่ไฟเล่มมาพาธันบอกแค่สินห้าเป็นโสดาวันอย่างหยากห ย, ยางหยากมากใจสูงขึ้นต้องมีกำหนดสิทครอบต่วนด้วยเมื่อรวมทั้งสินห้าก็ดีทกงหมดสิทพอดีจากเป็นสิขาบทก็มีส1บเอสิขาบทไม่ใช่มีสิบห้าเพราหลายข้อที่เหมือนกันกันกบสินห้าก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ทางกายนะ สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติธธินกรรมและสี่ไม่ดื่มสุราดมีไรในทางกายพยายาตัดยาเข้าไปยุ่งกับมันสาหรับทางวาจาก็มีสี่นื่องไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงหรือไม่ดินทายชาบ้านเขาแตกกันและ4สี่ไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหล สำหรับทางจิตใจมีสคือนหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำและก็ริการที่สองไม่คิดจองล้างจองผายใครโกรธยังมีอยู่แต่ไม่ปวกโกรธไม่จองล้างจองผายเขาโดดกรธดดง่ายหายเร็วแล้วก็ข้อสุดท้ายสาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือเชื่อพระพุทธเจ้า อารมณ์ใจมีความรู้สึกนึกถึงความตายว่ามันจะมีเข้ามายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในคขา้นไม่ได้ว่างที่เราจะเรียนกรรมฐานและมีความแม่นคงในศิลกรรมหมดสิบอารมณ์จะแจ่มใสามากเวลานั้นปัญญาจะเกิดจะมีความรู้สึกว่าการเกิดไปมนต์ก็ดีไปเทวดาก็าดีไปลมก็ ด, กดีทั้งสามจุดนี้ มีความสุขบ้างมนุษย์มีความสุขบ้างทุกบ้างไม่แน่นอนนักแต่ว่าเทวดาจับผมมีความสุขจริงตลอดการแต่การทรงความเทวดาและผมนี้ไม่แน่นอนก็ไม่ไม่นานา น, นักเมื่หมดพุนวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกใหม่เวลานั้นจิตใจสะอาดมื่อตัดสินใจเองว่าต้องการมีทานถ้าขนาดใดที่จะเดินกรรมฐาน จิตไปไล่เบีย้ยกับที่หนึ่งความตายสองจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าระธรรมพระอริยสงฆ์เรความจริงใจในอุปนิสัยเจริมสมาธิและก็3จิตเคารพข้นห้ากำหนดท10จริงเวลานั้นจิตจะมีอารมณ์สะอาดต้องการนิพพานจดเดียวฉะนั้นถ้าเวลาใดเทศจิตเราว่างจากกิการงานอื่นไปร่ายบูชาพระก็ดี สวดมนต์ก็ดีเจริญกรรมฐานก็ดีจิตใจต้องการนิพพานจดเกี่ยวเวลานั้นถือว่าจิตเข้าถึงโคตรภูญานของมโสดาบันคาว่าโคตรภูญานนี่หมายความยังไม่แน่นักจะเป็นระโสดาบันก็ได้เป็ น, จ, นจะเป็นชาวโลกก็ได้โลกุตราก็ได้โลกียะก็ได้ ท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลตราร์ร่วมกันโลกิยะหมายถึงโลกโลกตรารนะ์นันความเป็นพระอาญาเจ้าเมื่อคนคนเดียวยืนคล่อมรงังเล็กๆสองขาขาข้างหนึ่งเหยียบพื้นข้างนี้ขาทางโนนเหยียบพื้นทางโนนยังไม่ยกขานี้ไปทางโนนแล้วว่าการทรงตัวเป็นโคตรภูญานนี่มันไม่นานสําหรับสาวกกระพุไม่นานนะัก บางคนก็ใช้เวลาสักวันบ้างบางคนก็ใช้เวลาทั้งสองวันบ้างบางคนใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็มีก็เ ข, ข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอันนี้สุดยอแต่ความเข้มข้นของคนอันนี้ถ้าความเป็นพระสวสดาบันจริงๆเกิดขึ้นให้สังเกตอารมณ์อารมณ์ความโลภคําว่าความโลภในที่เกี่ยวกักายอยากได้เกินคนดีนะ ถ้ามีความขยันมันเปียนในการงานเขาไม่ถือเป็นความโลภก็ถือว่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสมาชีวะความโลภนี่จงอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นโดยไม่ชอบทำแล้วสิ่งใดถ้าเกินวิสัยแต่เกิดแต่กายเพื่จะได้มาก็เหน็ดเลยเปล่าอันนี้ถือเป็นความโลภถ้าสังเกตไม่ได้ก็สังเกตความโกรธความโกรธจะเบาลง ความโกรธอาจจะมีความรุนแรงคล้ายเดิมแต่ว่าหายเร็วขึ้นหรือบางคนความโกรธก็เบาลงจากเดิมถือแม้จะโกรธหนักขนาดไหนก็ตามต้องไม่เท่าเดิมมีความโรรกรธเพราะมีจิตนิ่นโนนประกอบกันนี่อันนี้แปลลงของพระโสดาบันเขาพูดไปแค่นี้นะขะนกกั้นกบรรดาญาโยงพระตัสัตวการเที่จะฝึกเกสินไม่จะนอกแบบ าการรักษ า, ายกําลังใจให้ส่งตัวสมาธิของกระสินยัมีการตั้งมั่นดีกว่าอย่างอื่นเพราะว่ากระสินเป็นรรมฐานหยาบจิต <c oughs> สรงชานได้ดีให้ก่อนอี่ภาวนาจับภาพกระสินก่อนถ้าหเราจะหาเครื่องกสินมาตั้งสมาจะลาบากถ้ามีพระพุทธรูปก็ใช้พระพุทธรูปอันดับแรกมองดูพระพุทธรูป ถ้าเรานึกว่านี่เป็นตั้งพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นเบ็นสีเหลืองเป็นเป็นกุตกร้กสินเห็นเป็นสีขาวเป็นโอต่อเป็นอโลโอทาตะกรสินจะมาคือเมื่วนี้นะถ้าเห็นเป็นสีถ้าเห็นสีเขียวทาในสีเขียวก็เป็นนีตะกสินถ้าเราทาสีแดงไปโรูตะกสินก็หมายความกรสินคือสีของท่าน สีของท่านคือเ่าทันได้ไปมาจากองค์ข้าหน้าเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นกิตากสินแต่ว่าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติถ้าเราจับภาพพระพุทธรูปเป็นกสินเราจะได้กรรมฐานสามอย่างร่วมกันพื้นหนึ่งอนาปานุสติกรรมฐานเราต้องรู้ลมหายใจเขาออกด้วยในการในสองจับภาพพระพุทธรูปนึกว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติด้วย แต่การในสามจับขี้เหลืองจากองค์ท่านในชี้ใดชิ่นหนึ่งก็ตามนี้เป็นตัวสินได้จะทำฐานสามอย่างพร้อมกันเม่ถ้าประเอยก็มาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพับไปนึกว่าพัดไปสองอย่างเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้จะมีความเข้มข้นพอในเมื่อจับภาพพระหรือเจ้าเสียมีความแม่นคงจิตแม่นคงดีปล่อยให้เป็นสุขเมื่อคลายจากความเป็นสุขปั๊บจิตเป็นครตัวเองจับวิปัสสนาญาณ ยังไงๆฟัด ส, สังโยชน์เรื่องสามกันก่อนเกินกว่าจะใช่อย่างอืน่นเรื่างจับรึกเกิดนึกง่ายๆชีวิตมันต้องตายแน่เรานับถือพระพุทธเจ้าการทำพระอริยสงฆ์จริงหรือเปล่าก็อบอกตัวเองว่าเวลานี้ราการจเจริญธรรมฐานเท่เราเคารพพระพุทธเจ้าการทำรรพระอริยสงฆ์เคารพอยู่แล้ว เพการทํางคันเรามีสิ่งห้าในจำนวนสิบครบถ้วนไหมนี้ต้องระมัดระวงังข้อไหนบ้านที่ปกคล้องพยายามทําข้อนั้นให้ใหสมบูรณ์ขึ้นระมัตะวงังถ้าเราต้องการไปพ่านน้ําปล่าถ้าเราต้องการนิพพานก็ถือว่าการเข้าไปสู่แห่งสุคติของท่านมีเส้นทางมีทางง่ายมีทางเรียบนี่ต่อไปก็มาพูดถึงโอทาเตราสินโอทาเตระศินนี่เป็นกระสิน ออโรกาสินนะเอาทางสิบวันอโรกาสินเมื่อสิงแสงสว่างเวลาจะทําหาแสงสว่างเขาไปดูดวงเพียนนะอย่างที่เรามีใบฟ้าแล้วไม่มีดวงคมไม่ดูดวงคมดูเฉพาะแสงสว่างออกมาถ้าโอทางเตอร์สินอย่างวานนั้นดูคมไบฟ้าได้เขาคมฟ้ายังหลอดที่อยูข้างบนเป็นสีขาว แ่ว่าโลกสินอาใช้สแสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติเขาใช้แสงไฟหรืออะไรก็ตามใส่ในที่ลับพอมีปล่องขึ้นดูเฉพาะสารสว่างที่เป็นวิธีปฏิบัติย า, ากทางถาจาระแนะนำไว้แต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอย่าลืมว่าแสินกองนี้เป็นกกนสินต้นของทิพย์นิโคยาน การฝึกที่กุญญาจริงๆนะครับฝึกกัไก่องนี้กองนี้เป็นกองต้นจริงๆแต่ว่าเตโชระสินกรดีโอทากระสินกรดีเป็นกรสินประกอบก็สามารถสร้างที่มกุญญาได้เหมือนกันแต่ให้ความามีความแั่นคงจริงๆต้องไปเนโอาโลกสินก่องนี้นเวลาปฏิบัติจริงๆก็เลือกเอาแสงสว่างมีที่ไหนไม่จําเป็นต้องไปจุดไฟที่อยู่ในกุงเทศนี้ แสงไบฟ้ามีตลอดคืนแล้วก็มองมหาสาลสว่างหลับตาจางดื่มตาจําภาพแสงสว่างแล้วก็กลับตาดับเพิ่งภาพแสงสว่างแล้วก็ภาวนาว่าอาโลกสินงังอย่าลืมลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกนี่ต้องควบคู่กันไปก็ทําให้เป็นชานด้วยภาวนาว่าอาโลกสินงังถ้าจิตเลือนจากสันสวาน่างก็ลืมตาตัวใหม่ทําแบบนี้ เมื่ถ้าแสงสว่างเป็นใบากายขึ้นมาถ้าแสงสว่างสว่างมากขึ้นแสงสว่างแปลไปจากเดิมเป็นวรกายแผวปลาปัญญาย่างนี้เป็นฌานเนีขอ้อกลัลละเพราะเอาสินกรณ์นี้นนนท่ายากแต่ว่าวิธีปฏิบัติธรมดาจะพุทธบัติจริงปฏิบัตินงต้องแบ่งเป็นสองพกพวกที่หนึ่งไม่เคยได้มาเลยนะในช่ก่อน ต้องปฏิบัติจริงกองนี้ตามระเบียบในกรหไมยความต้องหาแสงสว่างเป็นพื้นฐานต้องเบียนาปานุสติคือลมใจเข้าออกถ้าจิตจับภาพแสงสว่างหลับตาไนเพีย ง, งภาพหายใจเข้าจะออกนึกตาว่าอโลกสินังอโลสินังถ้าภาพเลือนไปจ่ายใจลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้พอจิตตกเรื่องเรื่อ ง, องฟุ้งซ่านเราก็เลิก เราพอนอนเสียอย่าไปสนใจมากเกินไปเนี่ยถ้าบางเอื่อบางวันบางเวลามีได้มีจิตอารมณ์สบาย <c oughs> ทำไปนานแสนนานเวลาพอสพัควรจะพักก่อนแต่จิตยังไม่อยากพักจากกรรมาฐานอย่างนี้แล้วก็ทิ้งแสงสว่างที่เรามองเห็นกลับเข้าที่นอนไปเลยกลับเข้าที่นอนรูชาพระเสร็จเวลานอนนอนนั้นนั่งก็ตามตามชอบใจ นึกถึงสนแคบางที่เราเห็นแต่ก็หลักตานึกถึงภาพแสนแคบบางที่เราเห็นแล้วภาวนาว่าอโลมณสิ้นแล้อโลมณสินแลนน้ทั้งนี้มัจชิน น, ชนี่ทํายากหน่อยนะแต่ว่ายังง่ายกว่ า, ากายกระสินและกายกระสินยากว่านเยอะขวาจริงคำว่ายากหมายว่าจับภาพยากนี่กระสิน ก, นกอง น, นี้ถ้าคนที่เคยได้ที่ปุยานมันใช่ก่อน ตากม่สึมกมักจะบอกว่าบางไขเขาไม่เขาไม่เขาไม่ ไ, ได้ใช้อารมณ์แสงสว่างภายนอกที่เราเห็นจะได้ว่าเพียงเห็นแสงสว่างลอดจากช่องฝานิดเดียวทีิพ ย, ยานสามารถเกิดกับเขาได้อันนี้เป็นความจริงก็มีหลายท่านที่ได้แบบนี้นะพอศึกษายกระสินโอารม์กระสินเงแล้วตับมากรติแทนนี้เขาจะจดเียนไปใส่ในกระองเห็นจะแสงสว่าง ไม่แยกจุดเกียงใส่ในกระปองนแลนสายระหว่างไม่ทันทมเียงจับสายระหว่างที่ร้อยกับมาจากช่องฝากุติเขาสามารถได้ที่กุยยหญ่ก ว, กว่วาว่าการปฏิบัติเกสิงก็คือกรํากรรมาฐานธรรมดาแต่ว่าธรรมดาย่าโยงพระธริมัททั้งหลายทุกคนโดย ท, นทนหนนาตั้งใจทำจริงๆ อยากจะเร่นกับสิงก่องไหนถ้าอยากจะทําภัญญาก่อนเจียอภิญญาเนี้ยก็ไม่ขอร้องให้ไม่ทําแต่ะทบบัง เ, เอิญจะได้ก็ทำํำตึกถ้าโอกาสบัญชาก่็ใช้แสงยศก่อนถ้าตัดแสงยศสามได้แล้วอย่างนี้การเกิดไม่ใช่ก็ตามเราไม่ต้องไปนรกไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นสระกายไม่ต้องเกิดเป็นสตริฉัน าอารมณ์ของโสดาบันกันนายภูมิทั้งสีได้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดทางนี้เว้นไว้แต่อนันตเรียกรรมอนันตเรียกรรมไม่ช่วยกันไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่ใช่อนันตกรรมบาปทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลบาป ข้อใดที่ทําให้เราต้องลงมนรกบ้างเป็นเปรตบ้างแป็นสุรกายบ้างเป็นชาติชันบ้างลงมนุษยหนักลงมนุษเบาก็ตาดทั้งหมดนี้ไม่แม้ไม่ให้ผลตายแล้วบาปตามทวงไม่ได้มีทางเดียวจังต่ําก็เกิดเปมนุษย์ได้เป็นเทวดาแล้ไปเป็นพรมต่างกําลังแต่กําลังจิตใจของท่านยึดตัดแสงโยอดสามได้แล้วอารุณ์จะไม่ทิ้งนิพพาน จะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรมก็ตามจิตใจก็ต้องการนิพพานอยู่เรืยไปไปที่ไหนก็จะเดินธรรมะเพื่อนท่นนิพพานสมมติว่าถ้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เขาก็ได้กําไรเพราะความเป็นคิด <c oughs> เพราะบนสวรรค์จริงๆเขาไม่ได้ว่างจะนึกว่าเทวดาท่านว่างเทวดาเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกที่เขาบอกมีเทวดาผานกับเทวดาบัณฑิต ทำว่าผานนี้ไม่ใช่เอะอะเวไบกินเหล่ามุยาผานจริงๆนะครับ แ, ลแลปวลว่โง่เทวดาโง่มันอีกแปลวเทวดาฉลาดเทวดาโง่ก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเป็นเทวดาเราวิมีวิมานอยู่ทุกเสียงทุกอย่างประกอบด้วยความเป็นคิดเรามีความสุขและการเป็นเทวดาอย่างนี้จะไม่พ้นจากความเป็นเทวดาไปอีกเพาไม่ต้องเกินไป เลยไม่สร้างความดีต่อผู้ ท, ที่ไม่สร้างความดีต่อถ้าจุติเป็นความเทวดาเมาื่อไร่ส่วนใหญ่ก็พุ่งหลา่าล้มนรกไปเพราะว่าไปรับผลความดีก่อนไม่รับผลความดีเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วไปสร้างความดีต่อเมื่อหมดคุณศาสนาบา ร, รมีปากว่าตามทันยันดาว่าท่านที่เป็นประโสดาบันในแช่หลวงบโสดาบันเป็นปกติบากตามไม่ทัน เมื่อบาตตามไม่ทนันเทวดาทำบุญเป็นไหมเขาต้องขอตอบ ว, ว่าเทวดาทำบุญเป็นแต่เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพระก็ดีทำบุญได้มากกว่าเราดีกว่าเราที่มีคนเคยบอกนะพระเคยเทศบอกว่าการบำรุงกุศลต่อต้องทำเฉพาะในเมืองมนุษย์อันนี้เห็นจะไม่ถูกที่เขาคิดต่อเมืองมนุษย์จริงๆเฉพาะพันธุ์สัตว สาษากขภูมินี่เขาคิดต่อให้เราเหนได้ว่าอย่างสุปฏิจักจิตาเทบบตุตรก็ดีมาตกุนารีเทพบุตรก็ดีทั้งสองท่านนี้เกิดทันพระพุทธาศาสนาแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าแต่พระพุทธเจ้าพระสง์องค์ใดองค์หนึ่งเขาก็ไม่เคารพก็ถือเป็นคนศาสนามาตกุนารีเทพบุตราาๆๆตเรื่องรามาในธรรมบท เป็นลูกของพรามณพราหมณ์นั่นก็แบกจานสอนสาศาสนากราหในเรื่องอะไรนี่เขาจะมาเชื่อาศาสนาพุทธพระพระพุทธเจ้าก็าเป็นสาวกพพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันเวลาเช้าไปเป็นตลบบ า, ทาดทัพเทศไปเมืองนั้นถ้านก็เดินผ่านหน้าบ้านเขาไม่เคยไม่ติยกมือไหวพ่อแม่กลุ่มเดีกันพ่อแม่พแม่สอนลูกต่อมาจนถึงเวลาใกล้จะตายเขาจริงๆ ไม่มีอย่างอื่นช่วยได้เธอก็คิดว่าพ่อก็าดีแม่เขดีไม่สามารถช่วยเราได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นมหาเศรษฐีก็ช่วยเราไม่ได้ก็มีแคนคนเดียวที่ก็มีเมตตาสูงเมตตาไม่ว่าใครนั่นคือพระสมณโคดมพอจะตายขึ้นนึกถึงพระสมณะโคดมเธอก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้พระสมณโคดมมาช่วยหายโรคแต่ความจริงไม่ได้นับถือเป็นอย่างอื่นไง ต้องการพระพุทธเจ้ามาบรรดานใน ห, หายโลกก็พอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่เธอใกลต้ตายพอดีแล้วเธอก็ตายอาศัยที่ตายไปเพราะนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวต้องการใน ห, หายโลกเธอก็ไปเกิดเปดนน็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงไ ม, ไม่ต่างหูไม่ได้ประดับเพชร งมีนาวมัติกุณลีทีบวชแปลว่าต่างที่บวชก็มีแต่ว่าแปลว่าเทพบทก็มีต่างโอ้เกลียงและต่อมาว่าพ่อเครื่องเธอที่เป็นมนุษย์คิดถึงลูกก็ไปร้องไห้ตีป่าชาที่เผาลูกที่ฝลูกที่เผาลูกมาต่อมาเธอะคิดว่าพ่อของเราไม่งงเมื่อเราไมชี้ดอยู่ไม่เคยแนะนำให้เรารับถือพระสมาณัโคดม แต่ตัวพ่อเองทา้งณะของเราทั้งหมดก็ไม่มีใครยอมรับรบนะผีที่เราเป็นเทวดาได้มีวิมานได้มีนางฟ้าเป็นบริวารได้มีร่างกายเป็นคิปได้ทั้งหมดเพราะอาศัยแค่นึกถึงชื่อพระสัมมาสัมแต่จีมาตรมาณพเขาเล่าและรับไปเลยทสองนาทีกขาแสดงตัวให้พ่อปรากฏพ่อเชื่อว่าเขาเป็นลูกจึงถามว่าไปเป็นเทวดาได้ยังไง เธอก็ตอบว่าเพราะก่อนจะตายนึกถึงพระสังฆนาโคดมให้มาราสาโลกแต่ถ้าไม่มารักษาโลกฉันตายถ้าพระอาศัยบุญนิดเดียวเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาพ่อก็ไปสั่งแม่บอกวันนี้จะเลี้ยงเพลิพระมีพระสังฆนาโคดมเป็นประธานก็เลยแบ่พระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เล่านลับๆ <c oughs> ไปถึงก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระสังฆนาโคดมคนนี้นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียว ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศ <c oughs> ตายแล้วไปสวรรค์มีไหมพระพุทธเจา้าทรงตอบว่าพระพุทธเจ้าตอว่าสัมมณะดูก่อนถาม <c oughs> คนไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึ่ถึงชื่อเราอย่างเดียวตายแล้วเป็นไปบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนะับพันนับหมื่นนับปีโกด แล้วท่านเราส่งเ ร, รียกวัาพรคุณลีเป็นบทให้มาก็มีมานพระคุณลีมาแล้วก็เก้าวลงจาก ม, มานไปสู่พระพุทธเจ้าที่ประบาทที่เท้ากันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงเพศมาเทศหลบพระคุณลีเทพบุตรเป็นประโสดาบันพ่อพรคุณนาลีเทพบุตรก็เป็นประโสดาบันด้วยคนที่ฟังชนใหญ่ก็เป็นปโสดาบันตามที่เห็นว่าทวดาในเขามีโอกาสทำเ ป, ป็นโสชนอย่างเราแต่ดีกว่าเราหน่อยที่เขาไม่มีทุกข์ ไม่ต้องห่วงหุงข้าหวหุงปลาไม่ต้องห่วงในการหางเงินหาทองเพราะเขามีความสุขจินแล้วก็ลวงความว่าท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนถ้าหากว่ามีความสนใจไม่ต้องการเข้าถึงอบายภูมิก็ขอทุกคนยึดสังโยชสามไม่เครื่องทำลายเสียอย่าเจริญกรรมฐานเพิ่นไปถ้าเพินไปโดยก็ไม่เข้าไปตัดสัญญาณสามมันจะไม่มีความสุขจริงคนที่ไม่มีจริง แรงของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชยยายหญิงทุกคนจะทำสมาธิขนาดไหนก็ตามอันดับแรกหนึ่งอย่าลืมความตายรายการในสองอย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ารายการในสมอย่าลืมสินห้าจากกรมบรุบบุบกำแนดสิบรายการในสจุดจิตจิตจักจุดอย่าียว น, นวนั่งคือพุทิพานอะไร